แล้วเปล่าว่างกายคลายกันกับว่ามี่ะไรผู้ถืกครัมึงกระตบ๊บกระต๊อบแล้วกัน้นเื่อกีวอนขายจีวอนขายมา ก, ก, มกั้งเนก็เอาพวกฟางมาาเป็นแต่วบากั้นไป วัาทั้งวัดนะพระบาทบจารย์เข้าไปเขาก็จะเห็นอู่ยาสักพ่อฉายาที่ทำไว้เพื่อประชาชนคือเป็นส่วนรวมฉายาก็พระบาทบรรจารยคือญาติกำแพงนั่งสินธรายใหญ่ครับอันนี้ก็เราก็ทําไว้เพื่อประชาชน มีงานมีการก็คุยกันที่นไรอยานี80 cm. 80 cm. Cm. Ào, wow. ้กว้างสามสิซก็30สามสิเมตรนะสามสิบเมตรความยาวห0สิบเมตรกวามมากเลย ถ้าไม่มีไม่มีงานกว้างนมะ <c oughs> ากพอมีงานนี่ครับแค่ทานทีมาสลายรายใหญ่แน่นแล้วข้างนอกถึงแ น, น่หมดเลยส้าหลัลงยังไม่พ อ, อคน <c oughs> ลังกขขว้างก <c oughs> ว้างก้ <c oughs> ขอนใหญ่ไม่พ <c oughs> อคนในเวาลามีงาน แล้วปุติปุติพระก่อนแล้วกูรอบรอบมือเวียนสลาภายในวันนี้เสียงไม่เสีนังเพื่อระดับรับแขกรับคนผู้มีเสียน้นมาพักงานก็เด็ดักตามมือเวียนรอบรอบสล า, าพอถัดเข้าไปตัางา น, นแล้วมีแกะตับเขานะนย่งเรองกัน การเรียกอันตับแอนวยีวันขาดคือวันขาดมาแอ น, แอนมุ่คือแง้มุ่งเป็นยาก่อนเริ่มแงกมูเ่เป็ยารืองานอาแงไฟป่ารุปรา ม, มาน มาอย่างไงเข้าปันญบ้าไปไม้พุทธิพระพุทิมุ่งย่าไม้พุทธนพระเลยแก้ไขใหม่เอเอาสังกัสรีมามุ้งหรือกระเบื้องเอากระเบื้อนหรือสังกัสรีมัแต่ไม่ใช่กรเบื้องคือสมบูรณ์แบบอย่เนี้ยนะสังกัสรีก็ไม่ใช่สังกัสรีสมบูรณ์แบบ ถันเาสื่อเสื่อเด้งเก้งตัเบื้องมัเสื่อเด้งเด้งก็เป็นมงคลอ่าคือการดูแลก็เป็นความตลอดทางเวานรับโลกเขาทั่วไปเขาไม่หมดเพราะเขาเคยอยู่การดู้ลผู้ป่าอืมประดับประดาตกแต่งร้อยสันทังเรื่องพันยายู่ในั้นหมดโย่เป็นไปอย่างนั้น ใ น, นเวลาเขาไปเห็นพุติแล้วบางคนจะเกิดความสระโดดสังเวกนั่นแหละเพราะมันเหมือนที่อยู่ของนักโทษวะเ น, นี่ยเป็นอย่างนั้นทั้งวัดนะคือหมดทั้งวัดบริเวณสระรอบๆนะเป็นที่ เขาออกของประชุมประชาชนเข้าไปข้างในมีเขตกั้นเอาไว้เป็นคำเล่ของพระทำความพากเยียนอยู่สบายเดินจนกรมนั่งสมาธิภาวนาสดวกสบายไม่ท่านมีการมีงานเข้าไปยุ่งไปเกี่ยวเลยเป็นประจาทั้งกลางวันกลางคืนก็เกอบความเยียนเต็มเม็ดเต็มหน่อยตลอด มุติกองท่านจะสูงเชนเชนจากเพื่อนนนี้มีอีกพักหนึ่งเจากนั้ น, น, นออกมานั่งพักกลานี้ก็เข้าทางจนกลมหาที่ภาวนาอย่างนั้นด้วยการทุกแข่งในวัดนั้นทุกขุตติเป็นอย่างนั้นด้วยกันที่สำงานของท่าน ทางตรงๆเนี่ยที่นั่งภาวนาดองนั้นไม่มีอะไรเลยอยู่ในป่าให้กะให้พอดีพดี <c oughs> ไม่มองเห็นกันเพราะนั้นมันเป็นป่าเป็นตรงตองค์ไหนอยู่ที่ไหนก็พอดีพอดีเรเห็นนี้เองวัดนั่นแล้วถึง <c oughs> รับพระน้าเขียงห้าสุบองค์เป็นอย่างมาก ถ้าร่ำมากกว่านั้นที่อยู่มันจะถี่กันเข้าไปการทำความเพียรไม่สะดวกห้าสิบทีนั่นพอดีงนั้นอยู่ที่ไหนสะดวกสบาย <c oughs> สะดวกสบายในการบำเพ็ญเพียร <c oughs> ไม่ใช่สะดวกสบายด้วยการกินอยู่หลับนอนอยางนั้นสะดวกสบายในการประกบอบความภาคี <c oughs> อย่างนั้นเหมือนกันหมดใครเขาไปยุ่งไม่ได้ขีเส้นตายให้เลยห้ามไม่เข้าบริเวณนี้เป็นบริเวณของพระบริเวณนี้ออกไปนี่เป็นที่ของประชาชน <c oughs> เวลาเขาเข้าไปก็เข้าไปแค่ศาลา ร, าลบรอบๆออกนั้นก็ออกข้างนเป็นที่ของพระ <c oughs> <c oughs> เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เรื่องสร้างวัดป่าบานาันตา เราเป็นผู้จักผู้ทาเองคุติหลวจะมาสร้างให้ราสร้างกี่หลังสาลาก็ให้สร้างกี่ครั้งกี่หนขอมาขอเปลี่ยนแปลงมาเรื่องมาถอนใหม่สร้างให้ใหม่อย่างสาาใน้วัดนั่นจบเหมือนกันมาขอปลูกขอสร้างเราไม่ให้ทางนั้น ที่เหมาะสมแล้วกับผู้บาเพ็ญธรรม <c oughs> เลยกว่านี้จะเลิดเปิดเพิ่มหาเข็เหาแดงไม่ได้เป็นเรื่องของโลกของสงสารแต่มาใช้เรื่องของทรรที่มีเขตมีแดงเราต้องไม่ทำแล้วกว็ปีกรกรต๊อกระต๊อบอยู่ก็จะสะดวกสบายนี่ก็เป็นทางเดินของธรรมผู้บาเพ็ญธรรมอยู่อย่างนี้ สภาพเช่นนี้เป็นที่เหมาะสมแม่เวลามารู้หลาผูปลาเป็นเครื่องส่งเสริมที่ให้คล อ, อ, องตัวขึ้นคลอตัวขึ้นแล้วไฟมาเขา ต, ตัวเองอยู่เช่นนั้นมีแ ต, ววตงงก่การชำระกี่เดตลอดเวลาเดินตรงกรมก็ชะระชำระกี่เดด้วยความรักความมีสติเป็นพื้นฐาน ถ้าพูดเรื่องต้นสุขภาพใหม่ก็มีคำบริกรรมภาวนาในบทใดก็ได้การแต่จริีนิสัยที่ชอบเช่นพุทโธก็ได้ทำโมก็ได้สังโฆก็ได้หรือทำบทอื่นใดก็ได้ตามแต่จริติสัยชอบแล้วให้มากำกับใจมีสติควบคุมนั่นนั่นทาเรียกว่าความเพียรนเพื่อทำาดะเย จิตเราเมื่อมีสติมันคุ้มครองอยู่แล้วที่เล็กจะไม่ออกเพิ่มพานถ้าขาดสติมากน้อยที่เด็กจะออกได้มากน้อยแล้วก่อคุ่นก่อไปมาเผาเราได้เพราะนั้นท่านจึงให้มีความเพียงด้วยความมีสติ <c oughs> สำหรั บ, บรรวัดป่าบังตากเป็นไม่อางนั้นแต่ดังเดิมเราไม่เปลี่ยนแปลง เขาอยากจะมาปลูกกุฏิี่ห้องีอ่ชั้นมากก่ามากเรามาให้ทางแั้น <c oughs> เราไม่เห็นแต่คนนั้นมั่งมีคนนี้จนคนนั้นชั้นสูงชั้นต่ำเราไม่เห็นอย่างนั้นเราเห็นแต่ความเหมาะสมของธรรมธรรมท่านขี้แจงแสดงบอกไว้อย่างไงซึ่งเป็นความชอบธรรมเรียบร้อยแล้วเราก็ก้าวเดินตามธรรมคำพูดเจ้ า, จารประชดใช้ด้วยสถานที่เช่นนั้น ทรงสภาพอยู่เช่นไรก็อยู่ในป่าในเขาลูกขมูลลูกไม้ในป่าในเขาเป <c oughs> ็นสัมบัติจากคนขอนเราเป็นคนขอทานเขาให้ทานตามที่ตามฐานต่างๆตามประเพณีของคนในครั้งคุนกาพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์เสด็จออกทรงวัดวัดกระเท่ากับตกจากสวรรค์ลงไปสู่นรกนั่นเองออกจากหอประาสาทมาอยู่ตาม <c oughs> ยุคมู ล, ลมร่มมาต่เพื่อปฏิบัติพระองค์ไปบินทั้งบาทก็เขาให้อะไรมาก็ได้อย่างนั้นแปลว่าคนขอทานเพราะแต่ก่อนยังไม่มีการบินเท่าบาทการโคจรดังพระพุทธเจ้าจัดสรุมาแล้วนีสอนโลกก็ะซ่ากันแต่ก่อนไม่มีพระองค์ก็เที่ยวเป็นคนขอทานอาศัยเขาไปอย่างนั้น แล้วมาประกอบความภาคเพียงอยู่ในที่เช่นที่ว่าเนี่ยอยู่ในป่าในเขาลุม่มขโมยร่มไม้ที่ไหนอยู่ได้สะดวกสบายพระองค์อยู่ที่นั่นที่นั่นเพื่อการประกอบความภาคเพียงสรุปความลงจนได้บรรลุทำขึ้นเป็นพระผู้เท่เจ้าเลิอกเออขึ้นในท่ามกลางแห่งป่าแห่งเขา สถานที่ที่อยู่ที่เป็นกระตับกระแตะ น, นเลิศเลอขึ้นจากสถานที่เช่นนั้นเช่นนัน้นพอได้จัดซร้แล้วเวลามาสั่งสอนบรรดาสาวกทั้งหลายก็สอนพาะขึ้นตนว่าลุกโมเลเซนาสนามนิซายะปัสชาตัะเตยยวะคีวังอุซาฮ้อการเนยโยบรรพชาวก็สมบูแล้วให้ท่านทั้งหลาย อยู่ตา ม, ม ล, ลุกขโมนร่มไม้ในป่าในเขาตามถ้ำน้งผาหรือป่าช้าป่าโยกชันอันเป็นสถานที่ประกอบความเพียเพื่อความสะดวกสบายไม่มีสิ่งที่เป็นค่าสึกมาผุพ่านบุ่นบายและจงทำความอุตสาพยายามบำเพ็ญอยู่อย่างนี้ตลอดที่นีเถิดหนึ่งเป็นพระองค์ว่า ของพระพุทธเจ้าที่ทรงสแสดงแจกบรรดาสาวกทั้งหลายในข้างพุทธการ <c oughs> พระองค์ถือเอาที่พระองค์ทรงดำเนินมาแล้วมาเป็นค้ิตัวอย่างมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ไม่เคยโดยละทำรรมาข้อนี้พระโอวาทข้อนี้ไม่เคยละพระทุกองค์ต้องได้ละแต่ละพระอวาทข้อให้อยู่ในเชื่อยู่ในป่าในเขาคุ ป, ปช า, าก็ต้องสอนอย่างนี้ไม่สอนอย่างนี้ไม่ได้ผิด หลักความเ ป, ป็นตุกปลาชาถึงกุมารชาจะไม่ชอบป่าชอบเขาก็ต้องสอนตัดสินหาณอย่างนั้นถ้าทุกองค์จึมต้องไรับพระโอวาทข้อนี้มาตลอดจนงมาทั่งปัจจุบันนี้ไม่มีเวแม้แต่องค์เดียวที่จะไม่รับโอพระโอวาทข้อนี้ <c oughs> ท่านอยู่ในป่าในเขาอย่างนั้น <c oughs> แล้สําเร็จงมรคนินพพานจนมากลายเป็นสังฆท า, งน า, ง า, านังคาถาหีของพวกเราว่าพระสงฆ์สาวกอราหันเป็นสรณะนขึ้นเป็นขึ้นตายของพวกเราเนี่ยเกิดขึ้นจากป่านะครับสงฆ์สาวทาากท้งหั น, น, น, นตัดพยุทธรรมบังดุลธรรมนับจากพระพุทธเจ้าลงมาตักพยุธรรมในป่าเพราะบําเพ็ญธรรมในป่า เนี่สาวกทั้งหลายได้ยินได้ฟังก็ในป่าเหมือนกันไปบำเพ็ญกับพระพุทธเจ้าซึ่งประทับอยู่ในป่าว่าจะสํเาเร็จมรรคผลนิพพานขึ้นมาขึ้นมาเพราะฉะนั้นป่าจึงเป็นที่สําคัญมากสําหรับพระสุบําเพ็ญเพื่อรักยิ่งทั้งหลายในป่าในเขาที่สงบนเงียบนั่นเป็นสถานที่เหมาะสมมากในการําระยิเงทตัวโลกตัวโลเลตัวไม่รู้ ไม่รู้จักออกมากทำระกิเลกประเภทนี้ได้ดีแล้วก็ประทานมาตลอดปัจจุบนันนี้ถ้าอวาทข้อนี้สอนมาต่อท่านปัจจุบันไม่ไม่เคยรุกละในพระอุวาทอย่างนี้ตลอดมาเป็นแต่เพียงว่าผู้ที่ไปศึกษาอบรมกับท่านนั้นแแกแนวไปเท่านั้นเองแแกแนวจากพระดีจ่า เห็นป่าเห็นเขาลํำนาไถ่นั่นเป็นของคือของล่าสมัยไม่ทานสมัยเห็นตึดร้างบ้านช่องสูงๆใหญ่ๆมันขึ้นมาเป็นของฐานสมัยลัํายุกล้าสมัยไปเลยมันก็กลายเป็นโลกเป็นองศาลไปเป็นบ้านเป็นเมืองไปหมดมันไม่ได้เป็นวัดอวัดต้องมีรู้จักต่งมานีในสฐานที่อยู่เนี่ย อันนี้ประถานที่อยู่ไม่มีขอบเขตเขาประชาชนได้โดยงเรื่องของโรคสงสารมาเป็นประมาณมันก็เป็นโรคเป็นงสารไปหมดเหยียบย่ำทำลายศาสนาที่พระพุทธเจ้าประทานให้แล้วให้เสียาหายรงไปโดยลำดับนล้สุดท้ายก็ผู้ที่อยู่ในป่ากลายเป็นผู้คึกผู้ล้าสมัยผู้ที่อยู่ในบ้าน หมีในรัฐาณที่ยูหลาผู่ฟากลายเป็นผู้ล้ำยุกล้ำสมัยไปได้เวลาหนึ่งเพราะที่มันเสกตัวเข้ามันว่าเป็นของหิึของหนึ่ยาบยั่งทําลายทำซึ่งเป็นของเลอะเลอให้ต่ำลงต่ํำลงเพราะฉะนั้นวิเลห์ห น, นาเท่าไหร่โลกจึงเห็นเรื่องอาจเรื่องธรรมเป็นของ ต, งตง่ํำลงต่าลงทั้งทั้งที่ธรรมเป็นของสูงของวิเดห์มาแต่การไหน อย่างที่เ็กนั่นแหลพาเศษสารปั้นยอตัวเข้ามาเองให้เหยียบย่ำทําลายทำทำเลยเป็น <c oughs> ขาไม่มีคุณค่าไม่ราคาอ <c oughs> ันนี้เมื่อทํำไม่มีค่าไม่ราคาในหัวใจของคนแล้วหัวใจก็มีแต่คืนจะไฟจากที่เผารมตลอดเวลาไม่ว่าท่านหรือเราโลกอันนี้กวา้างแค่ขนาดไหนเรียกว่าทั่วโลกโลกไหนหัว ใ, วใจดวงใดที่จะไม่มีไฟที่เด็ก คือความโยกความโต ร, ราคาตัาหาของยุ่งหยิงรุ่งวายความดีความยิบไม่เผาเมืใจนั้นไม่หนึ่งเผาได้ด้วยกันทางนั้นเพราะที้เล่ไม่เคยกลัวใครเนอกจากธรรมขี้เล่กลัวใครจะใหญ่โตขนาดไหนขี่เดชต้องขึ้นใหญ่กว่า น, นั้นตลอดตลอดใหญ่ด้วยหน้าท้องขี้เล่เสกสรรปั้นย่วให้ใหญ่ไม่ใช่ธรรมเสกสรรตั้งย่อให้ใหญ่นี้ที่ไหนจึงมีความถูกเสมอกัน คนมีคนจนคนโง่คนใจอัดตามสมมุติโยนี้ไม่มีใครเกินใครเรื่องความแบกทุกภายในขีดใจแบกทุกไปด้วยกันใแย่งจบมาจากประเทศใดเมืองใดก็ตามก็เป็นวิชาของทงี่ผิดให้ไม่ใช่วิชาของทำคือความเลอะเลอะผิะให้มันก็เป็นกิเลสเต็มตัวเลื่อยมายิ่งไปเรียนได้มากน้อยอย่างไรยิ่งมีแตกิเลสเต็มโง่มาเนี่ยกลมาแผ่กระจายกิเลสออก ขอตัวมาเลื่อยจีรจอมองว่าตัวรู้ตัวฉลาดนับประแผลคมไปแล้วทั้งๆั้ที่โง่จะตายไปนี่เป็นอย่างนี้เวลานี้มันคือแทนเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นผู้ต้องการที่ ใ, ให้ทอนคาในเรื่องความทุกข์ทั้งหลายจึงขอให้ภากันมีอาจมีทางด้วยกันถ้าไม่มีทางแล้วอยู่ที่ไหนก็อยู่แตยหาความสุขไม่ได้เลยนะ เราจะไปอยู่บนหอปร า, าสาทกองทุกอยู่กับหัวใจเราหอปร า, าสาทจะสนเร็ด้วยปูนด้วยหินด้วยทรายขึ้นไปเป็นชั้นนั่นชัน้นนี้มันก็เป็นปูนปูนหินทรายมันไม่ใช่เป็นเจดีไม่ใช่เป็นกองทุกส่วนเล่าที่จียงมันเป็นชั้นที่เดกองทุกจนอยู่กับตัวของเราถึงต้องได้ชำระสาสามวันหนึ่งคืนหนึ่ง ขอให้พากันในลึกๆ น, น้อมถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถึงเรื่องความเป็นความตายของตนโดยการตัวคนหแล้วจะได้รู้สึกตัวจะไม่ดี้ไม่ดิ้นเกินเนื้อเกินตัวแล้วจะได้สอบแสวงอหาอัตหาธรรมหาความสมงบร่มเย็นในเวลาเดียวกันจากจิตใจรวงเดียวนี้คนนั้นจะมีที่ยึดที่เกาะเวลาเป็นเวลาตายคนมีทรรในใจ กับคนไมน่มีธรรมในใจนี้ต่างกันมากทีเดียวคนมีธรรมในใจตายด้วยความสงบสงบอย่างตายด้วยความเปอบอิ่มภายในจิตใจด้วยอาจด้วยธรรมแต่คนที่ไม่มีธรรมในใจตายด้วยความห่วงความใดิ้ดิ้มสมบัติเงื่อนของเขาของมีมากน้อยกายมาเป็นส่วนเป็นไคใหนะ้เป็นเครื่องกังบนลุ่มเหยื่อบุญไว้ครัวพันกันตายแล้วประจบไปเลยจบไปเลย ผู้ไม่จงก็มาเปิดเป็นเป็ต เ, เ, เป็นผีเข้าสมบัติเงินท อ, องเข้าจงอยู่นั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรจิตใจแห้งผากด้วยอะไรทำทีอย่างเดียวสมบัติเงินชองไม่มีคุณค่านะสิ่งทั้งหลายที่จะมีคุณค่าก็คือใจที่มีธรรมเป็นผู้คุ้มคองรักษาสมบัติมีมากมีน้อยก็เป็นประโยชน์แก่ผูม้มีเพราะมีธรรมเป็นเครื่องรักษาถ้าให้จิตเดชรักษาไม่มีเมืองพอ การจ่ายอะไรก็เนื้อหลิงตัวคนเราลิงตัวด้วยเพราะสำคัญตนว่าเป็นผู้มีความเฉลี้วฉลาดเป็นบั้งบังมีสีสุขสมบัติเงินทองเกาของมีมากแล้วจ่ายซื้อสื่อใดกลับมาหนุนตัวเองให้เป็นคนเยอะหิ่งจ้องหอมดูเนื้อหลิงตัวสร้างแต่ความชั่วช้าละโมกจากสมบัติที่ได้มาและกลายเป็นไฟเผาตัวเองเข้าไปใน ส่วนผู้มีธรรมมีมากมีน้อยก็โยกให้สมบัติเหล่านั้นเป็นสมบัติของร่างกายที่ได้อาศัยขอชั่วการเวลาในเมื่อเวลามีชีิดอยู่จําต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้การอยูก่การกินการหลักการนอนต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้แต่ใ จ, ใจิตใจ น, นี้มีธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาเป็นอาหาโกชาลดที่เลิศเลอสุดยอดก็เกิดธรรม ให้เราตองสแสดงหาเสมอคืออาหารของใจกับ อ, อาหารของร่างกายไม่ ต, ามต่างกันอาหารที่อยู่ที่อาศัยของร่างกายเนี่้คือวัตถุตา่ตางๆซึ่งที่อยู่ที่อยา่าที่นอนเดีย๋ยวนี้ไปต้องเนีย่ยมันเป็นที่อยู่อาศัยของกายพอเลื่อนบรรทาวบอลทุกไปบ้านพอประมาณหนึ่งที่อยู่ของใจคืออะไรคือธรรมมีธรรมเป็นเครื่องอยู่มใจมีความเอื้อกินด้วยสีด้วยธรรม เวลาตายไปแล้วสิ่ง่านั้นมีไม่มีใจไม่สนใจใจมีอัฐมีธรรมแล้วมีความสมบงบร่มเย็นไปได้วยความผาสุกร่มเย็นเนี่ผู้มีธรรมในใจยิ่งผู้มีชั้งธรรมภายในใจมีทั้งวัตถุสมบัติภายนอกเป็นเครื่องประดับโดยแลกวพร้อมมองุงอยู่ในโลกนี้สมบัติเัินท้องเขา้าของก่ใช้ได้มากมุนการความสะดวกส บ, บายแล้วนําสมบัติเหล่านั้นไป แจกไปแจงออกไปเป็นบุญไปทางการกุศลประโยชน์แจกส่วนดวงต่อไปก็กลายเป็นบุญต่อไปถือไปก็หมดต่างหลายเรื่องมากลายเป็นบุญเป็นคุณต่อจิตใจเราเวลาตายลงไปแล้วทางสิ่งเหล่านั้นต่อเสียบุญกุศลหรือทำภายในใจเหล่านี้ไม่ปล่อยติดแนบกับตัวของเราเลยนี่แหละผู้ไปโลกหน้าไม่ยกไปด้วยหอประสาทต้าจมุนเทีย ไม่ได้ไปด้วยวัตถุเงินทองเข้าของที่มีจานวนมากๆอนั้นนะไปด้วยหน้าแข่งตังีกังชั่วตังหื ก, หกเศรษฐีตายไปแล้วจไในกองหมื่นทั้งทั้งที่แต่ก่อนเป็นผู้มีสมบัติเงินทองปรากฏชื่อนามทั่วโลกเวลาตายแล้วเป็นคนจมสุดยอดก็คือไปนั่งเฝ้าสมบัติเหล่านั้นซึ่งเป็นวัตถุอันหนึ่งอันหนึ่งแต่หาสาระไม่ได้ทางด้านจิตใจ ใจไม่ได้รับประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นแล้วเมื่อแยกสิ่งเหล่านั้นเข้ามาทำบุญให้ทางถ้าสมบัติทางใช้ทางร่ า, างกายก็ให้มีสมบัติที่จะใช้เพื่อสนองจิตใจของเราให้เป็นเวิรองเป็นกุศลก็มีผู้นี้ไม่โดกรอกถ ม, ม, มูลเศรษฐีตายก็เป็นเศรษฐีมีธรรมเศรษฐีธรรมเศรษฐีหน่อยมีเงินมากโดยมีธรรมมากภายในใจด้วยเป็น ท, ทั้งเศรษฐี เงินเจทีเจตีทำผู้นั่พร้อมไอ้เราจะเป็นคนทุกข์คนจนก็ตามแต่เรามีอาคมีธรรมภายในใจิตใจการทมบุญให้ทาการระลึกภาวนามีความสมงบร่มเย็นแจ่มใจมีโดยสม่งเสมอภายในใจิตใจผู้นี้นก็อยากเป็นผู้มีสมบัติคือธรรมทั้งหลาย เมื่อมาเข้าสู่การเป็นเศรษฐีธรรมขึ้นไปใหญ่ไทุทนี้ไปอย่างคร่องตัวเลยนะพากจำจําเอานา <c oughs> สําหรับข้าของเราให้จั้หน้าต่างตาปฏิบัติหน้าที่ของตนการงานของพระคือการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี้คือการงานของพระโดยแคร์ <c oughs> งานเรื่องก่อเรื่องสร้างดึงเยอะงุ่นไวก่อควน คนนั้นก่อควนคนนี้มันนั่งไม่ใช่งานของธรรมเป็นงานของโลกขอควนโลกไปเลยงานของธรรมเริ่อจงกรมนั่นงสมาธิภาวนาดูจิตใจของเราด้วยสติผู้ที่ตั้งลกฐานไม่ได้ก็ให้นำครรบริกรรมภาวนาเช่นพุทโธพุทโธเป็นต้นมากำกับใจแล้วมีสติ ติดแนบอยู่กับใจไม่เผลอไปโดยสารที่ไดในขณะที่เราภาวนาะอิเล็กก็ไม่เข้ามาทาลายได้ยอย่างง่ายดายจิตใจจะมีความสงบโัวเย็นเป็นอันดับเมื่อมีสติรักษาใจทำบริกรรมภาวนาะให้ติตแนบกับใจสติติตแนบกับคําบริกรรมชื่อว่าเรารักษาใจนั่นละท่านเรียกว่าภาวนาทําด้จิตใจของตนให้สบงบสงสัย แต่เมื่อมีความสงบเพราะการบำรุงรักษาแล้วใจจะมีความสง่างามขึ้นมาไม่มีอะไรที่จะสง่างามยิ่งกว่าจิตใจทีรับการอบรมด้วยธรรมทั้งหลายใจนี้ส ง, ง่างามมากทีเดีย ว, วเราพุทธเจ้าเลิศเพราะใจสาวองทั้งหลายเลิศเพราะใจไม่เลิศเพราะสิ่งของเงินทองเข้าของต่างๆที่โลกเขามีกัน อันนี้มันมีด้วยกันทุกผลว่าแข่งกันก็ไม่ได้แต่ว่าของไทยเลิอมันก็พอๆกันทุนบัตรเงินกอมีมากน้อยมันก็เปลี่ยนได้ท่าต่างๆเหมือนกันไปหมดแต่ส่วนธรรมนี้เป็นธรรมชาติบุญกุศลเป็นธรรมชาติเป็นของเลือกเลือกผีจายแยกท่าตางๆซึ่งเป็นด้านวัตถุด้านธรรมนี้เป็นเป็นเป็นด้านนามาทำอืมันสัมสมจิตใจของเราด้วย คุณด้วยกุอลยาปล่อยอยาวาง <c oughs> เราจะเห็นความสง่างามภายในใจแต่ข้อที่อย่างยิ่งคือการภาวนาอยาพากันปล่อยวางอย่างน้อยเวลาจะหลับจะนอนควรให้เราไหว้พระเลยมากเลยย่อๆพอเอาแล้วทำความสงบใจด้วยบทภาวนาเช่นพุทโธพุทโธเป็นต้นการนั่งเราจะนั่งแบบไหนชาใดก็เป็นอีกแบบหนึ่ง แต่สติกับจิตเวลาเราภาวนาให้ติดแนบกันอยู่อย่าให้เผลอไปไหนกําหนดพุทโธก็ให้อยู่กับพุทโธในท่าใดก็ตามาทำดทําบทใดก็ให้อยู่กับทําบทนั้นด้วยความมีสติระตั้จิตใจจะแสดงความงามต่านงานขึ้นมาใดที่เคยฟุ้งซ่านวุ่นวายก็จะค่อยสงบตัวเข้ามาเมื่อใจสงบตัวเข้ามาแล้วก็ เรียกว่าใจสงบจากฟืนจากไฟที่ก่อขึ้นมาด้วยความวุ่นวายขนาดใจมีความสงบเป็นน้ำกับไฟคือการภาวนาเราภาวนามากๆเท่ากับน้ำกับไฟที่เลตนาประเภทต่างๆให้สงบตัวลงสงบตัวองใจก็ยินสบายๆ <c oughs> นี่ละเรื่องอัศจรรย์จริงๆแล้วอยู่ที่ใจนะ <c oughs> อยู่ในหัวใจกับทุกคนนั่นแหละ แต่เวลานี้ถูกกิเลสตังหาสิ่งเป็นของไร้ค่าไร้ราคามันปกปิดกำ บ, บงังจิตใจไว้หมดใจจึงหาราคาหาคุณค่าไม่ได้ไม่ว่าใจช่างใจเลาเมื่อบุมเบิกเพิกถอนสิ่งนี้ออกไปด้วยความภาคภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยทางออกิจะภาวนาใจจะเริ่มเป็นความสงบเย็นขึ้นมาภายในตัวเองบางรายเกิดความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นมา ในเวลาไม่กี่วันไม่กี่เวลาก็ได้นะถ้าลงได้ปรากฏความแปลกประหลาดขึ้นจากการภาวนาแล้วจะสั่งลึกมากทีเดียวความสุขที่เกิดจากใจรุ่นร ว, วนี่เป็นความสุขที่แปลกประหลาดยิ่งกว่าความสุขทั้งหลายที่โลกได้รับปั่นมาเป็นไหนๆความสุขทางใจความแปลกประหลาดอายุจันจะเกิดขึ้นฟ่องค้องกันในภายในใจเมื่อจิตได้รับ สัมผัสกับรสแห่งธรรมอย่างนั้นประจักษใจแล้วใจจะมีความดุจดื่มใจจะมีความเชื่อฝังลึกเป็นลําดับกําลาความอุตสาหพยายามความภาคความเพียรก็จะปรากดขึ้นมาขึ้นมาก็ยิ่งเป็นการส่งเสริมจิตใจให้ดีขึ้นเรื่อยๆด้วยการบํารุงรักษาโดยทางกิตตะภาวนาเรวก็จะมีความสุขความสงบเห็นใจโล่กว้างแสนกว้างมาเด่นอยู่ที่หัวใจนั่ <c oughs> เหมือนกับความทุกข์ทั้งหลายที่มันเผาโลกเวลานี้โลกความแสงกว้างไม่ได้กว้างนะมันมาแค่อยู่ที่หัวใจโลกนั่นแหละติดตั้งอันตู้เป็นฟืนเป็นไ ฟ, นฟความทุกข์ร้อนอุ่นไฟทั้งหลายมารวมอยู่ที่หัวใจดวงเดียวไม่ได้ไปอยู่ในโลกจีวะกว้างแสงกว้างนะมันมาอยู่ที่หมวยใจแล้วทับแค่ติดตั้งอยู่ที่หัวใจเรานี่เท่าไหร่ทีนี้เวลาใจจะรับการบำรุงรักษา มีการภาวนาเป็นต้นแล้วความสุขทั้งหลายจะเก็จะมารวมอยู่ที่ใจดวงนี้โลกกว้างแสนกว้างไม่มีอะไรกว้างยิ่งกว่าใจที่รับการรับธรรมสว่างกระจ่างแจ้งครอบไปหมดนี่ใจที่มีธรรมสว่างครอบไปหมดครอบตัวทั้งโลกภาระา น, นี่คือใจที่มีธรรมธรรมจะเกิดขึ้นด้วยวิธีการอบรมนางที่ว่านี้พระพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นด้วยเหตุนี้ สาวกทั้งหลายก็เกิดขึ้นด้วยเหตุนี้เราก็เป็นคนมีจิเลสอย่างเดียวกันบำเพ็ญธรรมเพื่อแก้กิเลสอย่างเดียวกันผลจะเห็นเป็นความสงบเย็นใจขึ้นมาอย่างเดียวกันจนกระทั่งทวียุ่แรงขึ้นเป็นลำดับในความสงบจงเย็นเป็นความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาเป็นลำดับลำดับภายในหัวใจทีโ่โลกกว้างแสนกว้างไม่มีอะไรที่อาจารย์ยิ่งกว่าใจกับธรรมสัมผัสกันนี้ อยูด่ด้วยกันเป็นอันเดียวกันครเนี่ะอันนี้ที่อาจารย์มาสาจารย์อย่ที่ใจนะขอให้พากันอบรมทางพระเราก็ให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติอย่าไปดิบไปยิ่งกับโลกกับตรงสารมันเป็นเรื่องของพิเหลอกล่ร อ, รอมาตลอดเราไ ม, ไม่ควรจะอิ่มพอให้เฉดหลับกับมันบ้างนะอืตาเราให้หมดความกังวลวุ่นวมมาซึ่งเป็นเรื่องของเอกให้มีอารมณ์ของธรรมเข้าแทนที่จิตใจ เช่นการภาวนาเอาคาบริกรรมบริกรรมลงไปให้สติติดยากอยู่กับใจของตนโดยลำดับ แ, แล้วใจเมื่อเราการบารุงรักษาที่เร็ยไม่เข้ามาปวนใจแล้วใจจะมีความสงบเย็นขึ้นมาเย็นขึ้นมาจากนั้นก็เป็นความขว่างสวยัยที่พิพากิจใจของผู้บาเพ็ญภาวนานี่เป็นจุดใหญ่โตที่ นักบวชทั้งหลายจะต้องปฏิบัติให้รู้ให้เห็นให้โสงมากทงผลดังครั้งกุศการในค้างกุศการที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ทรากฎอยู่ตลอดมาว่าองค์นี้สําเร็จพระโสดาองค์นี้สําเร็จพระสกาาิตาคาองค์นี้สําเร็จเป็นพระนาคาองค์นี้สําเร็จเป็นพระอรหันตเจขาดจากสันดานกลายเป็นผู้สี่เลิกเดือขึ้นมานี่ มักผลที่ท่านบําเพ็ญผลที่ได้เป็นอย่างนี้ไม่เคยคืบเคยล้าสมัยทําเป็นอาการดีโกมันมีการหลัฐานที่เวล่าเวลาจะเข้ามาทําลายได้ขอให้มีความเพียรติดใจเถิดเมื่อความเพียรมีติดกับใจแล้วความสุขความเจริญความสว่างสวัยจะปรากฏขึ้นทีใจของเราผู้บำเพ็ญนี้ด้วยกันไม่ว่านั่งบวชไม่ว่าคารวะ กิเลสมีด้วยการทุกคนการชําระกิเลสคารวาชชำระพอได้นักบวชชาระพอได้เพราะเป็นกิเลสประเภทเดียวกันและมีความสงบผ่องใสได้เช่นเดียวกันเราต้องการความสุขความเจริญไม่ว่าเพศ่อคารวาหรือพระมีความต้องการความสุขอยากทุกข์ด้วยกันให้ชําระสิ่งที่เป็นทุกข์ต่างหลายด้วยอด้วยทางบำบูงธรรมที่เป็นความเหมาะสมเช่นสติธรรมด้วยการภาวนา ทำความรู้สึกตัวเสมอขึ้นมาความสุขความล่มเย็นเป็นสุขทั้งหลายความสงบเย็งใจจะปรากฏขึ้นที่ใจของเรานี่แหละเราก็เป็นห่วงมาคราวนี้ก็ไม่มีเวลามากอะไรนัก น, นะไปเทศที่มรโสการางเมื่อ ว, วันที่ยี่หกต่างรุ้นมาขอร้องให้เปเทศช่วยการสร้างเจดีย์ใหญ่ของคูบาจางทั้งหลายที่จะมาปฏิบัติฐานอยู่ในฐานที่นั้น ร้วแล้วตั้งแต่เป็นครูอาจารย์ที่เลิกเป็นเพชรน้ำห น, นึ่งทางน้ำทางน้นซึ่งเราเขาลกนับถือการาบไหวบูชาท่านจากถึงใจถึงใจเมื่อได้ทราบว่าจะสร้างเจดีย์บรรจุหนือรปริษาทครูอาจารย์เหล่านั้นเนีย้ยมาขอร้องเราให้ไปช่วยเหลือเราจึงไปเชิดให้ทันทีวันที่ยิงอกเป็นวันเพศรรวม ร <c oughs> ายราบที่เทพไปแรัทั้งหมดเป็นเงินสามล้านสิ่แสนกว่าบาทแล้วก็มอบให้วัดโศกรามพึ่งก็งยอ้อนกลับมามาัณฑิตสอนแสงธรรมสองสามวันนี้เองวันนี้มีโอกาสจึงได้มาที่นี่มาก็เป็นองวงเป็นนกยกประชาชนข้ามีสนทางนี้ซึ่งเป็นโากาสที่ยังเหมาะสมอยู่จึงได้มาในวันนี้ มาก็เพื่อได้พบได้เห็นได้ยินได้ฟังอาจธรรมซึ่งเป็นมงคลด้วยกันนั่นแหละถึงจะได้ยินได้ฟังอาจธรรมไปเป็นข้อคิดได้เห็นได้ฟังครูอาจารย์ก็เป็นมงคลเงียบคนไปตลอดเนี้ยได้ยินได้ฟังอัตธรรมก็เป็นข้อคิดข้ออ่านที่เป็นคติเครื่องเตือนใจเป็นมงคลแก่ใจไปโดยลำดับเพราะเห็ุนั้นจึงได้มาถ้าก่อปัจสาวครูอาจารย์หางเหมินครูอาจารย์นักก็ไม่ดี เหมือนลูกเจ้านะล้าเงเห็นห่างเหินพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ดีทะเลาะทะเลายได้ง่ายได้ความเสียหายเกิดขึ้นได้อย่างง่ายไายเหมือนกันมีบรรดาพระเจ้าประสงค์ที่ปราศจากครูอาจารย์คอยแนะนำต่างสอนมันก็ทําให้เกิดความเสียหายทำมากไปในใจแต จ, จางไปจางไปที่เข้าใกล้คิศติดพันกับใจผูกพันกับใจเป็นใจกับด้วยัจเลยไม่มีความหมายในพระทั้งองคเนี่ย ยังต้องใมาแนะนำตัดเตือนสั่งอนให้การคิดติดพัน์กระบาดกับธรรมครูมาจารงแฉพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แ้อยู่ที่ใจของเราให้เราลึกถึงธรรมและวินัยนั่นแหละเป็นองค์ศาสดาแทนพระพุทธเจ้าคือเป็นศาสดาทั้งหลำทั้งหลายแฉพระพุทธเจ้าเมื่อตั้งรอยผ่านไปแล้วให้ลึกหลักธรรมหลักวินัยอย่างตายตัวตายใจไปเลยไม่ให้ปิดแว แล้วความเจริญยุ่งเหยิงก็จะเกิดซึ่งภารกิจการของเราโดยชั่วคราทางภาคนี้รู้สึกว่าครูบาอาจารย์ไม่ค่อยได้มาแนะนําสั่งสอนพระก็รู้สึกจะว่าไปนี้มีโอกาสอันมีงานบ้างวันนี้เราก็มาเพื่อเป็นการเตือนใจบรรดาพระลูกปันหลานทั้งหลายให้นำไปไปฏิบัติปฏิบัติตัวให้ดีเรื่องโลกเรื่องสงสารกอดว่ามาบ่นแย่มาบ่นแบ่งพระจะสั่งสมตั้งแต่อาจแต่ทํา ไม่สั่งสมยีเดศนาซึ่งเคยสั่งสมมานาน<ม>ก็ไม่เห็นมีความประเสริฐเลื่อเลยอะไรเวลานี้จะสั่งสมอดสมธรรมด้วยความภาคเพียรในการเดินหลินกรรมนั่งสมาธิภาวนาก็ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจสั่งสมอดธรรมเรนี้ให้ดีภายนอกอาศัยไปวันหนึ่งวันหนึ่งไม่มีเป็นถือเป็นของจําเป็นแต่ภายในระหว่างยีเดกับธรรมที่จะแก้ไขหรือซกักฟอกการนี้ให้ถือเป็นความจําเป็นตลอดไป ถ้าเมื่อได้รับการบำรุงรักษาอยู่จ ะ, จะมีความจเจริญรุ่งเรืองไปน็นระดับนี่แสดงความแปลกประหลาดเหินย่างขึ้นใหญ่เจ้าของผู้ที่บำเพ็ญ น, นั่นแหละจึงขอให้ทุกทุกท่านตัง้งอกตั้งใจปฏิบับติตนเต็มแม่เต็มหน่วย <c oughs> แล้วที่พึ่งใจในที่ใจของท่านต่างหลายที่ปราบความเพียรด้วยดีมีสติแตกต่างเป็นเครื่อง ยับยับย้งชั่นตัวอยู่ตลอดเวลาที่เรศจะไม่เกิดขึ้นในอย่างง่ายใดถ้าเผลอสติเมาายัยที่เรศของง่ายนิด้เดียวนะขอให้มีสติสตั้งบังคับบัญชาทำความภาคควาเพียงก็ทําให้จริงให้จริงให้เกิดผลประโยชน์ขั้นพุทธการท่านเกิดผลก็ทําประเภทเดียวกันเราทํายังไม่เกิดผลทําไมเึ็ไม่เกิดผลทำของเรา การบังเพ็ิของเราไม่เหมือนท่านผลก็ไม่เหมือนท่านถ้าตั้งใจบังเพลิให้เต็มในเต็มหน่อยผลจะเป็นไปโดยลำดับเหมือนท่านไปโดยลําดับเดือยยิ่งพาขอให้ลูกพระลูกภันหลานทั้งหลายตั้งบกตั้งใจต่อคุณปฏิบัติให้ดูตัวเองจะไปดูที่อื่นความบกพ้อมสมบูรณ์จะมีขึ้นที่ตัวของเราเองดูใจตัวดีตัวนิ่งมันจะหาปุิมหาแต่งเรื่องนั้น็ดีเรื่องนี้ไม่ดี เจ้าของไม่ดีเท่าไหร่มันไม่ได้ว่ามันก็ว่าอันนั้นไม่ดีนี่นไม่ดูเจ้าของมันก็ไม่เห็นที่ตัณฑ์ติชมเจ้าของให้มาดูใจของเจ้าของตัวเองตลอดเวลาด้วยความมีสตินี้จะเป็นผู้มีความเพียรตลอดไปร่างการแสดงฟังไอ้บรรดาพี่น้องลูกหลานทางไรฟังก็เห็นมาสมควรอย่า ก, การเวลา ขอความสวัสดีโยมีแจกตั้งหลายโดยทั่วกันเทอรุ่นสมัยเรายังไม่มีแชฟนะอันสมัยรังจาออกบังเสรยังไม่มีแชฟช่วงมาปรากดที่ว่าป่ารังจาตีห้าร้อยสิ่ง มันจากนั้นมาก็มีรายเอยดาร้สุบ่ก่อนไม่มีเชฟแบบตังจากผู้วจารันชุนตั้งชิวยิวเลยเราจะเห็นทั้งวัตถุคือทำมาสมบัติ เมื่อไวัตถุสมบัติมันมีเกิดแล้วในโลกวัตถุตมสมบัติมีทุกอย่างเต็มไม่ชัลาเหลือเฟือแต่ธรรมสมบัติที่มีในใจรู้สึกว่าเราอยากจะพูดว่าแห้งขาดแห้งขาดเนี่ยโลกถึงหาความสุดไว่พอไดนถ้ามีธรรมปัญใจแล้วจะชุ่มเย็นชุ่มเย็นเป็นแบน เรียกว่าธรรมสมบัติวัตถุสมบัติก็คือสิ่งของเงินทองวามที่อยู่อาศัยต่างๆเียว่าวัตถุสมบัติธรรมสมบัติได้จากความดีที่เราสร้างด้วยการให้ทานรักษาศีลภาวนานี่ยเขาเป็นธรรมสมบัติส่ว่าพใช่ที่ใจทรงธรรมสมบัติกายก็ทรงวัตถุสมบัติอาศัยกันไปส่วนใจก็ได้อาศัยธรรมสมบัติบุญกุศล ต่างอันต่างมีที่พึ่งที่เกาที่อาศัยด้วยกันไปอย่างสะดวกกสบายถ้ามีสวัสดิ์ถูกต้องใหม่ทำมาต้องใ ห, ม, ห, ม, หม่ต้อมีในใจหาความสุลไม่ได้ละคนเราเราจะหาความสมด้วยความปเป็นเศรษฐีกุญมีไม่มีทางต้องหาด้วยทำเป็นเครื่องแหกะไปไปแหนะไปทําเป็ของก็ขัมากเป็นเครื่องรอยเลี้ยงน้ําใจ <c oughs> เออเราไม่เคยพูดนี้นะมันมาสัมผัสเดี๋ยวนี้น <c oughs> เราไปภาวน า, นน า, ายูนั้นภูเขาระยะนั่นพอดีพี่ชายไป <c oughs> ไปวัดน้องขือ <c oughs> ไป ไปที่นั่นก็พอหลงปุ่มมั่นทราบแล้วโอ้ท่านเอาใจใส่เม่ตา ม, มากนะท่านเลยจัดให้คนทันทีเลยนะท่านเป็นผู้จัดเองเออวะหลวงปุ่ ม, มั่นเราเนี้ยนะ <c oughs> บอกว่านี่คือพี่ชายท่านมหาบวัววามาเยี่ยมน้องชายเวลานี้น้องชายไม่อยู่ไปปูเขาอยู่นั่งดูนั่งโท่านตั้งหน้าตั้งตาเอาใจใส่จริงนะก็ไม่เคยเหมือนกันแนนต่ว่าพระเนรนิตติแจ้งโอ้ทมเพราะว่าเป็นพี่ชายของท่านมหาบวัวเท่า น, นั้นเท่านรู้สึกว่าเกิดความเมตตาอ่อนสางคกยไข่เรียกโยมมาต่างจิตให้โยมนิจจาไป พาไปส่งไปส่งภูเขาที่เราภาวนาะตอนนั้นเราก็อยู่ในภูเขาและไม่ฉันทหานก็ด้วยน ะ, ะนี่แหละทีส่สำคัญนะไปขึ้นไปนี่ <c oughs> <c oughs> ก็กำาลังกดอาหารของโซโตราชปแล้วก็ พ, พิชายขึ้นไปกับโยมคนหนึ่งนำทางไม่งั้นไม่รู้เพราะเราอยู่ในภูเขาอยู่ในถ้า พชาขึ้นไปอ้ามากันนจะวีวะพอขึ้นไปพี่ชาไม่เคยพูดอะไรเลยนะไปดูนัานดูนีด้ดูไปเดินนั้นเนดินดูพอเราอยู่ในในทรานี่นะแล้วมาอั่างไรหมาล่อ ง, อองขือหลวงปู่มัน่นอุตสาเมตตาให้โยมนำมายัง ม, มาหาเพื่อได้มาพบก็บกถูกตล้งถ้าไม่มนีนใครบอกมาไม่ได้ มันอยู่เรืลึกลูเขาสช่ไหเราดูองเดียวด้วยนะ <c oughs> พอไปถึงแม่นะ <c oughs> อันนี้อราเป็นเหตุที่เราชินมากนะ <c oughs> พี่ชายคนนี้เป็นคนกล้าหาญไอเราเป็นคนขี้คลาเนี่ยมันมันขัด ก, กับตรงเนี้นะแล้วพี่ชายคนคนนี้กล้าหาญ จะไปไหนเขาไปเลยกลางค่ำกลางคืนเป็นสัตว์เป็นเนื้อเป็นเสืออะไรเขาไม่สนใจก็ เ, เป็นคนกล้าหาเหมือนกับตาเขาตาเขากล้าหางมากนะเอยไอเราขี้ขาดสุดยอดเลยคนในบ้านในครอบคัวเราเป็นเบิร์หนึ่งขี้ขาดที่สุด <c oughs> นะทีนี้เวลาไปเห็นเราอยู่ในภูเขาแล้วสิภูเขาลึกๆสะด้วยนะ้ะไม่ว่าไปไม่มีคนตามเป็นจริงไม่ ไม่รู้นี่ยเพราะคูเขาก็เป็นทางพอเป็นด่านเป็นด่านเข้าไปเลยเขาเราไปดู <ew are S 1> พอไปถึงนั้นแล้วไปดู <ew are S 1> ไม่นานเราก็ให้กลับไปกลับไปเสียมาแล้วก็ <P ew are> ดูแล้วก็ดูแล้วแล้วก็ดูแล้วนี้ไปกลับไปถึงแม่แล้วไปร้องไห้ให้แม่ฟังือลูกลูกชายนั่ะไปร้องไห้ให้แม่ฟัง พอไปถึงแม่ร้องไห้เลยนะลูกชายคนนี้นะทำไมลูกประมาจะไม่ได้ถามเรื่องใดลาวอะไรทำไมมาร้องไห้แล้วล่ะว่าเป็นคพอะไรเอาเเล่าเรื่องใหฟังทีน้าโอ้ยมหาบัวนี่ตั้งแต่เป็นคารวาตตัวที่ขาดที่สุดเลยว่านันนะเรื่องที่ขาดไม่มีใครเกินแล้วไปอยู่ในป่าได้เขาทวนได้ตั้งแต่ป่าเสือทั้งนั้นอยู่นันท่านอยู่ได้อย่างไรนี่สิ หน่าคิดเลยแล้วไม่ฉันทหารด้วยพร้อมโซโตล่ามองดูแล้วโอ้ยสลดสังเด็ดนี่นะท่านมาอยู่ได้ยังไงคนคนนั้นแชร แ, แล้วมาเป็นคนคนคนี้ขึ้นมาอืตัวที่ขาดที่สุดก็ก็รู้จักกันแล้วถ้าเกิดมาใช่ไหมเราที่ขาดที่สุ ด, สดแล้วเวลาบวดแล้วเราไปอยู่ในป่าอยู่ในป่าเสือจะด้วยรอบด้านนี่จะป่าเสือป่าเนว่าแต็มมัเขาก็ไปดูแล้ว ไอเสือมันผ่าน้อยมันผ่านขึ้นมามันก็มาเห็นอยู่ที่เราไปอยู่มันผ่านขึ้นมาที่เราพักอยู่เวลาคนม่อยู่มันก็มามาผ่านขึ้นมาผ่านลงไปเราก็เห็นลอยมันอยู่นี่นะเฮ้ยนะแต่เราก็ไปอยู่ที่ตรงนั้นแล้วไม่พูดหลายคำแล้วกลับไปพอไปเห็นแม่นะร้องไห้เลยทันทีไม่เคยเห็นทำไ ม, มหมาตัวนี่นนะต่ก่อนแม่ที่ขาดที่สุดเลย ท่านทำไมจึงเป็นอย่างนี้ได้อัศจรรย์นาวานั่ น, น, น <c oughs> เลร่งร้อง <c oughs> ห่มร้องไห้ไปอยู่ที่นั่นมันอยู่กับป่าเสือจะแท้ดีนะคนที่ขาดอยงนั้น <c oughs> อยู่ไม่ได้เลยทําไมท่าอยู่ได้สบายเนวะ้ยนี่นี่อนะไรท่านไปนแก้ไขดัดแปลงข่านยังไงนะว้ย่าอย่างนั้นแนหะเราจึงไม่ยืนขึ้นมาพูดแบบนี้นะครับพี่ชายจะดูเราแล้วกลับมามาเห็นแม่แล้วเอาความร้องไห้มาตอบรับกับแม่เลยเป็นอย่างนั้นนะ มันทางเสือมันขึ้นมาอันนียมันขึ้นมานผ่านี้น ข, น ข, นขึ้นไปโน้นล้วก็อยู่ท่ามันผ่านขึ้นผ่านลงอยนี่เราก็อยู่ที่นั่นเวลาเราอยู่มันก็ไม่มาเสือมาซอมที่เราไม่อยู่แล้วก็อยู่ที่ตรงนั้นน่ะเนี่ยเขาไปเห็นกันที่เลเเื่องเกิดรู้สึกจะเป็นความเสียใจทุกแบบทุกฉบับนั่นแหละนะเราดูเราจะกอดเปน็นอย่างนั้น แล้วเวลาปวดแล้วกลับมาเปน็นอย่างนี้มีที่ว่าที่ขาดไม่มีใครสู้เราคนในบ้านนั้นเราเป็นที่หนึ่งที่ขาดแต่แล้วทำไมที่เป็นอย่างนี้ได้เนยว่าอไรนะอับสัจจังเออท่านฝึกขัดท่านได้ยังไงให้อยู่ในป่าในกลางเขาแล้วที่ท่านอยู่ก็เสือทางผ่านเสือเดินผ่านไปผ่านมาอย่างท่านอยู่ได้ยังไงเอเอแล้วก็เราลืมด้านพื้นได้มาพูดแต่ก่นไม่เคยพูดเลยนะไม่เคยพูดเลยนะ ก็เป็นอย่างนั้นมันอยู่ในป่านั้นมันกับเสือก็ไม่เคยมาหาเราไงล่ะทั้งๆจิิตทางมันผ่านขึ้นมาผ่านลงไปมันขึ้นไปนี่ขึ้นไปโน้นขึ้นไปล้างเขาถ้ามันอยู่ตรงนี้มันลงมานต่ไม่ลงมาผ่านแล้วก็อยู่ที่นั่นก็ลงมาที่ี่เห็นรอยมันอยู่นั่นแหละแต่มไม่เคยไม่เคยเจอ มีแต like ่หม yeah, mm. ูหมูมัมาฝังคืนก็ป่ามันจะไม่ให้มนมาได้ยังไงก็มาของมันเราไม่เคยสนใจกับอะไรเลยเลยภาวนาถึงว่าพี่ชาไปเห็นนะไปถึงแม่ะราล้องให้กับแม่เลยโอ้ในเคยทำไมท่านฝึกฝนท่านได้ยังไงแต่ก่อนตัวตัวที่ขา่ที่สุดเลยแล้วทั้งทัานไปอยู่ด้านนในกลางเนื้อกาง เสื อ, อยังตราเสื อ, อยังนั่นอยูนะขก็การฝืกผลอบรมนั่นแหละความกลัวมันก็กลัวแต่ยังที่อย่างพิชาคู่นั้นแหละเราก็ยอมรับเลยว่าไม่มีใครกลัวยิ่งกว่าเราเรื่องความกลัวคนในครอบครัวนั่นเราเป็นที่หนึ่งความกลัวเข้าป่าไม่ได้กลัวเสือแล้วเวลาไปบวชแล้วทำไมไปอยู่กับป่าเสือได้เนี่คือพิชามาอัศจรรย์เองตรงนี้ราว่างนนี้เล่นไ ป่านั้นเป็นเพียงแห่งเดียวนะที่เราอยู่อที่เราอยู่ในถ้งในป่าที่ไหนมากต่อมากเขาก็ไปเจอตรงนั้นแหละมีการคือการฝึกอบรมแต่จะกล่อนะ้มันกลัวเฉยมันไม่ได้เรื่องนะมันมันกลัวก็ต้องฝึกกันฝึกกันจนกะระทั่งกราหานฉานชัยได้ปัจจุบันให้เห็นอัเ้เลยนี่คือการฝึกตัวฝึกใจเรา แต่จาปล่อยให้มันดีเฉยเชอย่างมันกล้ามันกลัวจะปล่อยให้มันกล้าเฉยมันไม่กล้ามันจะกลัวไปเเมื่อฝึกมันได้เหตุได้ผลกันแล้วคราหลังมันกลัวเท่าไหร่ยิ่งหมุนตัวก็ไปมันกระหลงได้เลยนั่นเป็นอย่างนั้นนี่ล้วพูดแต่ก่อนมันมีแต่เสืนะแต่สมัยเราเจ้าชู้โด่งกับมาฐานเป็นป่าทั้งนั้นร้อยกว่าเศษรอยกว่าเศษ เขาไม่มีทางสัญจรไปมารถลาไม่มีแต่ก่อนมีแต่พกร้อพกเพียนที่เขาเที่ยวตามภูเขา น, น, น, นขานๆก็จะไปทิ่นี่ก็ร้อพกรียันการซื้อการาาขายก็ไม่มีการไปมาหาสู่แบบ น, นี้น้อยมากเลยอยู่ในป่าเนเขามันยังมีหมู่บ้านบ้านลเสียงคาเรือนห้าหลังคาเรือนมีอยู่ทั่วทั่วไปนี่เขาเดินไปหาการเอง ไม่ไม่มีร่องไม่มีเตียงไปเราไอยู่ขเขางั้นแล้วเหล่านั้นเป็นป่าเนื้อป่าเสือทั้งนั้นเขาก็อยู่ได้ประมาไม่ไดินว่าเสือกินเขาหนักนะแต่มันจะมากินแต่เขาเราคนเดียววะอย่นี้มันก็อยู่ได้อ่ะพูดคาดไปอวันนี้ก็ดีใจได้ได้มาพบพี่น้องหลายและพระลูกพระหลานพระการตั้งอกตั้งใจทุกอง น, นะ ตั้งหน้าตั้งตาไบัฏิภาวนาให้ยึดสติเป็นน้องอัยถ้าใครที่ยังตั้งรากตั้งฐาไม่ได้จิตใจยังไม่สงบให้นําคําบือกรรมเข้ามาติดกับใจแล้วเอาสติติดกั บ, บคําบือกรรมติดไปเสมอแล้วต่อไปจิตจะค่อยสงบสงบได้จากคําบริกรรมที่มีสติยำตัดนะต่อไปนั้นจะสงบเรื่อยเรืเยเรื่อพอจิตที่มีรากฐานนี้มันเปลไป เป็นจิตเป็นสมาธิและไม่มกังวลกรรมความรู้นี้เด่นเด่นเลยทุกอย่างเด่นในนั้นชัศน์จออยู่ในนั้นไปเลยในเบื้องต้นที่ต่งาตงาราวต่างฐานมีลาบากอยู่หน่อยจิตมันร้องดุคุกรจึงต้องเอากำ บ, บุญกรรมมาปิดจิตไว้ไม่ให้มันออกอยากคิดอะไรไม่ให้คิดเราคิดมาตั้งแต่วันเกิดไม่หได้เลยไปเห็นปรยู่์อะไรที่เราจะคิดพุโทโธแทนเรื่องความคิดของจิต ด้วยความมีสติบางครั้งมันชิดไม่ได้หรือบางันให้ห้ามตัวเองบังคับตัวเองแล้วเราจะได้เห็นความแปลกประหลาดของธรรมไม่มีที่ไหนจะเจอที่ใจเรานะอจะไม่เจอที่อม่้าอากาศต้นไม้ภูเขาทั่วรอบรอบรอ บ, รอบกับตะ ก, ก ว, วาลไ ม, ม่ใช่ธรรมไม่ใช่สิ่งแปลกประหลาดซะจริงสีแปลกประหลาดจริ ง, ระงจะเกิดขึ้นที่ใจของผู้ภาวนาจะไม่มีนะ